ต่างถิ่นต่างที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเวลากราบก็กราบแบบเบญจางคาประดิษฐ์ก็ถือว่างามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประเทศที่เบตถ้ากราบเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดนี่มันต้องกราบอัดทังขประดิษฐ์อัดทงคือแปลว่า8ดก็คือกลมกราบทั้งตัวเลยเอามือแผ่ไปข้างหน้าแล้วก็กราบไปทั้งหมดให้หน้าผากจดพื้นแล้วก็ท้องก็จดพื้นด้วย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 แต่ว่าถ้าเข้าไปลังการนี้ก็จะตกใจมากขึ้นเพราะว่าลังการนี่เวลานั่งไม่ว่าพระหรือโยมโดยเพราะพระนี่เวลานั่งเขาไม่นั่งพับเพียบอเขาเอาเท้าสองข้างเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเลยเรียกว่าเป็นการนั่งแบบกระโยงก็ได้แต่มันไม่เชิงทีเดียวเท้าสองข้างมาวางไว้ข้างหน้าไม่มีการเก็บทั้งสิน้นเวลาเวลาจะสวดมนต์ก็เอามือสองเอาเข่าสองเอาศอกสองข้างนี่วางไว้บนเข่า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 และให้ทานนี่ก็เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เพื่อถูกหวยคนไปเข้าใจว่าเออให้ทานหรือทำบุญนี่ก็เพื่อได้มีบุญเยอะๆเหมือนกับเป็นการสะสมขูปปองสมนาคุณสะสมบุญมากเกินมันก็สะสมขูปปองเสร็จแล้วก็ไปแลกเอาตัรถทัชไปแลกเอารถเครื่องรถยนต์เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าการทำบุญคือการสะสมขูปปองสมนาคุณมันก็เพิ่มกิเลสเข้าไป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 ของคนให้ด้วยยิ่งให้ก็ยิ่งลดลักกิเลสลดลาความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าให้ไม่เป็นมันก็ไปเกิดความเหนแก่ตัวมากขึ้นคือเกิดกิเลสบางคนให้เพื่อจะได้ไปสวรรค์บางคนให้เพื่อจะได้หน้าการให้เหล่านี้มันเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญคือทานที่ยังมีจิตเยื่อใ่ยังมีเยื่อใยทานที่ยังมีจิตผูกพัน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 การให้แบบนี้เป็นการให้ที่พระพุทธเจา้าไม่สรรเสริญเพราะว่ามันยังเจือด้วยกิเลสแม้แต่ให้เพื่อสวรรค์เพื่อไปสวรรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สรรเสริญด้วยซ้ํานั้น้ารให้ที่ถูกต้องเนี่ยที่เราสับประลิศทานสับปริศทานคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เทั้นั้นที่ให้กันเยอะแต่ว่าสับปริศทานคือทานของสัตบุรุษนะคือการให้ของที่ควรของที่ประนีตให้ของ ท, ที่เหมาะกับผู้รับรวมทั้ง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 นะก็ต้องควบคุมต้องพัฒนาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนไม่พอนะต้องเอื้อเฟื้อด้วยศีลนะห้านี่มันเป็นแค่เกณฑ์ขั้นต่ำนะคือไม่สอบตกนะแต่ไม่ใช่ว่าแค่ศีลห้าพอมันต้องทํามากกว่านั้นคือว่าเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่าวัยวัจจไม้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งวัยวัจจไม้นี่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพรหมจรรย์นในที่นี้ แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีความหมายหลายแง่ไม่ได้หมายถึงการไม่ไปเสพกาไม่ไปเสพเมถุนทำอย่างเดียวแต่หมายถึงการทําความดีเช่นการพอใจในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าศรัทธารสันโดษพอใจยินดีในคู่ครองของตัวไม่ไปไม่ไปล่วงเกินคนอื่นเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมก็ถือเป็นพรหมจรรย์ได้ และสุดท้ายก็ต้องภาวนาแล้วคนนี้จากทานและศีลและภาวนาภาวนาก็คือเป็นเรื่องของจิตใจอบรมอบรมก็อบรมได้หลายอย่างอบรมให้มีเมตตาก็เรียกวเมตตาภาวนาอบรมให้เกิดความไม่ประมาทระลึก อ, อยู่เสมอว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาก็ได้อบรมใจให้ไม่โกรวความตายก็เรียกวามารณสติภาวนาอบรมจิตใจให้มีสมาธิก็เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนา ถ้าต้องการเจริญสติก็เรียกว่าสติปฐานเจริญสติปฐานเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจก็ทำได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจของการภาวนาในพุทธศาสนาคือสติปฐานนั่นเองคือการดูใจการดูจิตดูใจนี่อย่าไป น, นึกว่านะมันเป็นเรื่องยากแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ทำได้อย่างที่เคยเล่าแม่นี่ตกใจลูก9ก้าขวบมาขอซื้อไมโครโฟน ไมโครโฟนนี้เด็กปักแล้วมาร้องเพลงได้แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่มันส0่บาทเด็กเก้าขวดจะซื้อของจากร้านในโรงเรียนต้องสี่บาทอยากได้หรือเกลือนลบเล้าแม่ก็เลยต่อรองว่าถ้าอยากได้ก็ต้องรอนะแม่จะหักค่าขนมใส่กระปุกไว้วันละครึ่งหนึ่งนะค่าขนมก็วันละ20บาทก็หักไปวันละสิบาทสิบาทเดี๋ยวเดือนนึงก็ได้เองปกติเวลาลูกมาขอ หลายคนก็ตัดลาคานก็ให้เงินไปเด็กมันก็เลยเคยชินรู้ว่าถ้าลบเลาแล้วต้องได้ก็เลยลบเลาใหญนะ่แต่ถ้าเราฝึกให้ดีมันก็สามารถทาให้เด็กเขารู้จักคอยได้แลวแม่คนนี้เขาไม่ได้ให้เด็กคอยเดียวเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนะให้ลูกนะไปไปที่ร้านนะั้นแล้วก็ดูไมโครโฟนตัวนั้นนะดูเช้าดูเย็นก็ได้จัจับก็ได้ดูไปด้วยแล้วก็ดูใจไปด้วยนะว่าเรารู้สึกอย่างไร เรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่าอันเด็กก็ทําตามที่แม่บอกนะไปดูไมโครโฟนที่ร้านร้านมีอยู่ในโรงเรียนก็ดูเช้าดูเย็นดูไปได้4ีหวันก็บอกว่าแม่ไม่เอาละแม่ถามว่าทําไมบอกว่าของมันแพง400บาทนะแล้วที่สำคัญคือบอกว่าเบื่อละนะเบื่อละแม่ก็เลยถามต่อว่าทําไมาถึงเบือ่อก็ดูทุกวันดูทุกวันมันก็เบื่อไปเองนะแล้วทําไมทีแรกอยากได้อยากได้ก็เพราะว่า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 ก็เหมือนกับเพลงนะเหมือนกับหนังฟังใหม่ๆดูใหม่ๆก็สนุกแต่ดูไปดูไปดูซ้ําไปซ้ํามามันก็ไม่สนุกแล้วอาหารที่อร่อยก็อร่อยเฉพาะคําแรกหรือมื้อแรกแต่พอกินไปกินไปลองสังเกตดูเถอะมันก็เริ่มเฉยๆล้วที่อร่อยก็เฉยๆละที่เฉยๆก็กลายเป็นเบื่อกลายเป็นเอียนเนี่ยคนเราถ้าเราลองฝึกดูใจเราก็จะเห็นแล้วว่าเออไอความรู้สึกในคลิปของเรานี่มันเอาแน่เอาน อ, นอนไม่ได้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 เดี๋ยวผมนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิดูนะตามลมหายใจไปนะแล้วก็ดูแล้วก็รูเ้เออความปวดค่อยคลายไปคลายไปคลายไปเ <c oughs> ด็กเห็นเลยไอ้ความปวดมันมันมาแล้วก็ไปก็สงบได้อันนี้เด๋ยกเขาฉลาดนะแล้วแม่เขาก็คงสอนดีด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราแม่หลายคนก็เจอเด็กแบบนี้ก็ไปโอบไปโอบหรือบางทีไปไปบอกเด็กว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเจ้าของเรียนดูบายคนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเขา สอนให้เด็กมีขี่จักรยานเด็กขี่จักรยานแล้วก็ก็ต้องมีล้มบ้าง น, นะจักรยานเพลสอล้อบ้าง3าล้อบ้างเด็ก4ี่หจักรยานล้มแม่ก็รีบเข้าไปหาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บคือพยายามไปให้เด็กเนี่ยไปติเศษความรู้สึกของตัวเองมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเออให้เด็กเขาลองดูความรู้สึกของเขาว่ามันเจ็บแล้วมันเป็นยังไงเด็กเขาก็ฉลาดที่จะเรียนรู้ได้แต่เดี๋ยนี้เรากลัวเรากลัวเด็กลําบาก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 หรือเรียนรู้ว่าจะดูใจอย่างไรเด็กเขาฉลาดนะเคยมีลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังมีเด็ก3ามขวบมากับแม่มาจังหันแล้วก็ก็มากราบหลวงปู่ขาวท่านตอนนั้นก็กำลังจะฉันอยู่แล้วก็มีคนถวายถวายเงาะปลอกมาให้เสร็จเลยเด็กไม่เคยเห็นเงาะก็สนใจมันขาวดีแล้วก็ท่าทางจะอยากกินด้วยหลวงปู่ขาวก็เลยบอกว่า อยากกินหรือปลาถ้าอยากกินต้องแลกกันนะแลกกันยังไงบอกว่าปูเขาบอกให้นั่งสมาธิเด็กถามว่านั่งสมาธิยังไงเด็ก 3- 4มขวบเป็นถามว่านั่งสมาธิยังไงหปูเขาวก็บอกนั่งหลับตานั่งขัสมานั่งหลับตาแล้วก็ให้ให้นึกไปด้วยนึกอะไรอ่ะหลวงปู่ขาท่านก็มีปฏิภาณท่านก็บอกว่าก็ให้นึกถึงเงาะยังไงให้นึกถึงเงาะในใจก็นึกถึงหมักเงาะหมักเงาะภาษาอีสานว่าหมักเงาะเงาะหมักเงาะ ก็ น, นึกไปหมากเงาะหมากง อ, กงอตอนที่ทําใหม่ๆเด็กนี่ทําไปก็น้ำไหลไหลไปด้วยนะนะเพราะมันอยากกินมากแต่ว่าพอทําไปสักพักนี้จิตเด็กนิ่งเลยนะนิ่งเลยเพราะว่าจิตมันไปอยู่ที่คําว่าหมางาะหมากเงอะซึ่งเป็นคำบริกรรมมันไม่ต้องใช้คําว่าพุโทโธก็ได้นะบางทีเราไปติดว่าต้องใช้พุโทโธนะมันไม่นเป็นใช้คําว่าหมากงอก็ได้เด็กมีความอยากความอยากของเด็กก็ทําให้เด็กกล้าทํา ทำไปแล้วก็เด็กปรากฏว่าเด็กสงบเลยนะแล้วเด็กมร่รูตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงระฆั ง, งพอเปิดตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในศ า, าลาล้วมีแต่หลวงปู่ขาวท่านกำลังนั่งสมาธิแล้วก็เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าตอนนั้นเป็นบ่ายสาแล้วหมายคือว่าเด็กนั่งสมาธิประมาณ7ชั่วโมงได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสเพียงเพราะความอยากกินเงาะเนี่ยนะแต่พอ น้อมใจเด็กให้ดีเนี่ยมันก็เป็นสมาธิได้เด็กก็ทําได้นะเราไปคิดว่าการภาวนา น, นี่มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่ทําได้บางทีผู้ใหญ่กับสู้เด็กไม่ได้ซ้ําซนั้นถึงบอกว่าเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลญมากคําสอนหรือวัตธรรมในพุทธศาสนานเนี่ยเป็นคําสอนที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนไม่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็ได้ยิ่งในสายพุทธกาลนี้ นเนรปลุกอรหันนี่ก็หลายรูปรูปหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังก็คือที่กําลังบินธบาตตามภาษาลิบุตรไปเห็นชาวนาขาน้ําเข้านาเห็นช่างไม้กําลังดัดไม้เห็นช่างธนูกาลังดัดธนูก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาแล้วเราละ่ะแล้วบัณฑิตละ่ะควรจะทําอะไรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนเสียคนอื่นเขาไปไปดัดสิ่งภายนอกไปจัดการสิ่งภายนอกแต่ว่าบัณฑิตนี้ดัดแปลงหรือจัดการตัวเองอเอวนาก็ไปจัดการกับน้ํา ช่างไม้ก็ไปจัดการกับไม้ซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวแต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งนอกตัวแต่ทําสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือจัดการฝึกตนให้ใหดีพอได้คิดแบบนี้ก็กลับไปภาวนาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่พระไซรุบดนะ์เดินกลับมาถึงวัดพอดีธรรมะในพุทธศาสนาสามารถจะเป็นประโยชน์และเข้าถึงได้กับคนทุกวัยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กตลอดทั้งผู้ชายและผู้หญิง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 ชีว่ากับกุมารพัฒนิมนพระทั้งวัดไปฉันในบ้านนิมนไปแต่บอกว่าพี่ชายบอกว่าจุลปบรฑทกไม่ต้องอะ่ะเฝ้าวัดไปแกก็เสียใจท่าทางจะร้องไห้ด้วยคิดอยากจะศึกเพราะว่าชีวิตนี้คงหมดหวังพระพุทธองค์เห็นพระองค์คงมียานอย่างเห็นว่าจุลปัรรทกเป็นผู้ที่มีอินทรีย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปในทางธรรมะได้ก็เลยบอกว่าให้ทาสักอย่างหนึ่งนะทอะไรเหรอ ก็ให้รูปผ้าขาวผ้าขาวพื้นเล็กๆให้รูปไปนะแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่าละโชฮารนันนางละโชฮารนนางละโชฮารันังเป็นภาษาบริแด้ว่าผ้าพื้นฝุ่นรูปไปรูปไปไม่ต้องทำอะไร อ, อื่นนะรูปไปอยู่นั่นแหละจุลปันตกก็ทําได้สิเพราะไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำนะให้รูปผ้าเช่นนั้นใครๆก็ทําได้รูปไปรูปไปผ้าคล้ำก็เริ่มคลม้ําเริ่มคลม้ําเริ่มคลม้ําอันนี้จุลปันตกก็ระหว่างที่รูปเนี่ยจิต ก, ก็เป็นสมาธิและเมื่อเห็นผ้าที่มันคล้ําเพราะว่า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 เห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชมาว่าเกิดความสังเวชในที่นี่มันมาที่งการได้คิดรู้จักปล่อยวางว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่นายึดถือเลยแทน่นปล่อยวางบรรลุธรรมทันทีนะเป็นพระรหันต์ขนาดคนที่งโง่ที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะก็คือการดูใจการฝึกดูใจใหเห็นถึงความแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของใจและสิ่งที่เราทํานี่มันก็ก็เดินตามแนวนี้แหละนะ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 ให้เจริญก้าวหน้าคนเราถ้าไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตนและเด๋ยวนี้เราก็มีความคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาบางทีพระบางรูปก็สอนอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์กรรมฐานบางทีก็สอนอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าเท่านั้นแหละทั้งนั้นแหล ะ, ท, หละที่ป่วยนี่ก็เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติที่เป็นโลกนี่ก็เพราะกรรมเก่า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 มันก็จะขอพอรว่าขอให้ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี่คือสุกติภูมิของเทวดาเวลาเทวดาจะจุติเพื่อนๆที่เป็นเทวดาด้วยกันก็จะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะความมายถึงให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่สามารถที่จะสร้างความดีได้ให้พัฒนามากขึ้นภพภูมิอื่นเป็นภพภูมิที่เรกว่าสวยกรรมกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแต่ภพภูมิมนุษย์ไม่ใช่แค่เสวยแต่สร้างใหม่ด้วย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 มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกตัวเพียงแค่รู้มันก็ละได้รู้ในทางโลกเนี่ยรูแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความหลงตัวลืมตน ว, ว่าฉันเก่งแต่ถ้ารู้ด้วยสติโดยเพราะสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจเนี่ยมันทําให้ละได้มันทําให้ความรู้สึกหรือความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูเนี่ยมันหมดไปมีตัวกูเมื่อไหร่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ตัวกูก็ปรากฏแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ตัวกูมันก็หายไป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 ให้มีความระลึกรู้ในกายและใจอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอรงกันทั่งกิเลสมนเข้ามาคลองใจไม่ได้